พรอริย์ซึ่งแปลว่าผู้เจริญบ้างท่านผู้ประเสริฐบ้างท่านผู้ไกลาจากข้าศึกคือกิเลสบ้างความจริงคําว่าอริยบุคคลเป็นคําที่นิยมใช้สําหรับพูดถึงอย่างกว้า ง, างหรือกลุ่มๆไปไม่ระบุตัวหาใช่เป็นคําเฉพาะมาแต่เดิมไม่คําเดิมที่ท่านใช้เป็นศัพท์เฉพาะสําหรับแยกประเภทหรือแสดงระดับขั้นในบาลีได้แก่คําว่าทักกิไน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 หรือเมเลชัคือพวกคนเถื่อนคนดงคนดอยเป็นพวกทาตหรือทัศยุตต่อมาเมื่อพวกอริยะเข้าครอบครองถิ่นฐานมั่นคงและจัดมู่ชนเข้าในระบบวัณณะลงตัวโดยให้พวกเจ้าถิ่นเดิมหรือพวกทาตเป็นวัรณะสูตรแล้วคำว่าอริยะหรืออารยะหรืออารยันก็หมายถึงชนสามวัณณะต้นคือกษัตริย์พราหมณ์และแพทย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 ใครจะเกิดมาเป็นชนชาติใดวันนัไหนไม่สำคัญถ้าประพฤติอริยธรรมหรืออาริยธรรมก็เป็นอริยะคืออารยชนทั้งนั้นใครไม่ประพฤติก็เป็นอนารยะหรืออนารยชนทั้งสิน้นสัจธรรมก็ไม่ต้องเป็นของที่พวกพราหมณผูกขาดโดยจำกัดตามคำสอนในคำภีพระเวทแต่เป็นความจริงที่เป็นกลางมีอยู่โดยธรรมดาแห่งธรรมชาติ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 ที่ใช้ในคำพีโดยทั่วไปจึงมีความหมายเท่ากับทักกินัยยะบุคคลที่จะกล่าวต่อไปและอริยสัจสีบางคราวท่านก็เรียกว่าอาริยธรรมหรืออาริยธรรมอย่างไรก็ตามคำว่าอาริยธรรมหรืออาริยธรรมนี้ท่านไม่ได้จํากัดความหมายตายตัวแต่ยักเยื้องใช้ได้กับรมหลายหมวดบางที่ผ่อนลงหมายถึงกุศลกรรมบทิบ้าง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 แม้คำว่าอริยะนี้จะมีความหมายกว้างสักหน่อยแต่ในกรณีที่ใช้เรียกบุคคลแล้วจะหมายถึงกลุ่มชนเดียวกับทักขินยับบุคคลเป็นพื้นคือหมายถึงท่านผู้พ้นจากภาวะปุถุชนและจัดเข้าในกลุ่มสาวกสงฆ์ที่ปัจจุบันนิยมเรียกว่าอริยสงฆ์ยิ่งในคำพีรุ่นอัตถกถาลงมาด้วยแล้วใช้อริยกันในความหมายนี้แทบจะตายตัวทีเดียวอีกอย่างหนึ่งคาว่าอริย นิยมใช้ในกรณีที่พูดถึงอย่างกว้างๆคลุมคลุมโดยไม่ระบุไม่แจกแจงระดับขั้นส่วนทักคิไนมักใช้ในกรณีระบุแบบเป็นสับเฉพาะในทางวิชาการดังนั้นในที่ทั่วไปจึงพบคำว่าอริยะใช้ดาษไปมากกว่าคาว่าทักคิไนในที่สุดข้อที่ไม่ควรลืมก็คือพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า